2. กตาปติวาระวาระว่าด้วยต้องอาบัติเท่าไหร่หปราชิกกันคำถามคำตอบจำนวนอาบัติในปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่หนึ่ง157ถามภิกษุเสพเมถุนธรรมต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบ ภิกษุเสพเมถุนธรรมต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. เสพเมถุนธรรมในซากศพที่ยังไม่ถูกสัตว์กัดกินต้องอาบัตปาราชิก 2. เสพเมถุนธรรมในซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินโดยมากต้องอาบัตทุลใจสามสอดองค์ชาติเข้าไปในปากที่อ้าแต่ไม่ได้ถูกต้องต้องอาบัตทุกกด ภิกษุเสภเมถุนธรรมต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้